พวกเราคงได้ยินชื่อโปรเมนะโปรเมนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ดังพอๆกับน้องเมนะน้องเมนี่รัชนกโปรเมก็เอริยานะเล่นกอล์ฟนะถึงเรียกโปรที่ดังก็เพราะว่าปีนี้เขาได้แชมป์เรียกว่าติดๆกันเลยนะสี่แชมป์สี่ถ้วยโดยเฉพาะถ้วยสุดท้ายนี่เขาเรียกว่าเป็น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 แต่สนญญาไม่รู้นะว่าก่อนหน้าที่จะได้แชมป์ติดติกันเนี่ยเธอเคยเกือบจะได้แชมป์มาอย่างน้อยสองครั้งแล้วก็คือปีห้าหกเกือบไปได้แชมป์ที่เมืองไทยนะแล้วก็ต้นปีนี้นะก็เป็นรายการใหญ่ก็อดได้แชมป์ทั้งๆ้งที่ ชนะมาตลอดได้แต้มมาตลอดจนทั่งมาเสียแต้มเอาหลุมสุดท้ายหรือว่าสองสามหลุมสุดท้ายเป็นอย่างนี้ทุกครั้งรวมทั้งครั้งล่าสุด ท, ที่ได้แชมป์เมเจอร์นี้ด้วยนะก็นำมาตลอดและนำเยอะด้วยเสร็จแล้วมามาแพ็กเอาตอนหลุมท้ายๆอันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเธอเนี่ย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 เมย์นะก็เหมือนกันนะแล้วเพราะความตื่นเต้นเนี่ยเธอก็เลยเสียแต้มจกนกระทั่งคนที่ตามหลังเนี่ยคว้าแชมป์ไปเนี่ยเป็นอย่างนี้มาสองครั้งลแล้วแล้วครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็เกือบจะเกือบจะเสียแนะชมป์ให้กับอีกคนหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะเธอมีการเปลี่ยนแปลง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 ขอซึ่งจ้างมาแพงๆเนี่ยนะแนะนำเธออย่างเดียวคือเวลาจะตีเนี่ยนะโดยเพราะหลุมสาคัญเนี่ยให้ยิ้มไว้ก่อนนะยิ้มไว้ก่อนเพราะยิ้มเนี่ยมันทำให้เธอใจเย็นแล้วก็เริ่มมีสตินะคนเราเนี่ยพอเวลาคเครียดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นวิตกกังวลหรือเวลากลัวเนี่ยโมโหเนี่ยนะถ้าทำอะไรไม่ถูกเนี่ยยิ้มไว้ก่อนนะ จะไปหาหมอหมอจะฉีดยาก็ยิ้มไว้ก่อนนะจะไปฟังผลนะตัวสุขภาพก็ยิ้มไว้ก่อนขเขาพราะว่ายิ้มเนี่ยมันช่วยนะช่วยหลายอย่างคนที่กลัวเข็มเนี่ยนะกลัวเข็มฉีดยาเนี่ยขเขาพบว่าถ้ายิ้มนะแม้ใจนี่จะเต้นนะแต่ยิ้มไว้ก่อนเนี่ยความเจ็บจะลดลงเขาว่าถึง4ี่ปอร์ซนะสี่อร์เซ คนที่กลัวเข็มเนี่ยพอฉีดยาเข้าไปเนี่ยเข็มทิ่มเขาเพราะว่าจะเจ็บกว่าคนที่ไม่กลัวเข็มเนี่ยเป็นสามเท่า แ, แสดงว่าความกลัวเนี่ยมันมีผลมากเลยนะต่อต่อความรู้สึกต่อร่างกายแล้วก็ต่อการทํางานด้วยเนี่ยอที่ไอริยาเนี่ยเขามีอาการรนเนี่ยเพราะเขากลัวกลัวจะไม่ได้ยิ่งใกล้จะได้แล้วเนี่ยมันยิ่งยิ่งเกรงยิ่งกลัวเพะกลัวผิด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 เธอก็สามารถที่จะชนะคู่แข่งได้แบบบุตวิต์นะมาตีตื้นเอาตอนท้ายๆนะแล้วก็ได้แชมป์ไปเป็นประวัติศาสตร์นะของอนักกอล์ฟหญิงไทยนะรอะเป็นปวัติศาสตร์ของเมเยอร์นัดนั้นด้วยเพราะว่าไม่เคยมีผู้หญิงไทยได้ดนะันั้นเห็นว่านะไ อ, ะอะการยิ้มเนี่ยช่วยได้เยอะ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 นะบางกีฬาจะใช้เท้าแต่เรียกรวมว่าใช้มือนะใช้มือเนี่ยไม่พอต้องมีหัวอ่านเกมออกอ่านเกมทะลุนะจะเป็นฟุตบอลก็ดีจะเป็นแบดมินตันก็ดีนะจะเป็นกรอบที่ต้องอ่านเกมให้เป็นนะแต่ว่ามีหัวแล้วมือก็คล่องแล้วเนี่ยยังไม่ได้นะใจก็สำคัญนะนะเขาถึงว่าต้องมีสาม H นะ Hand Head แล้วก็ Heart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 งั้นหมหมายรีเวลาเล่นชกไปชกไปก็ชกไปก็ด่าไปชกไปก็ด่าไปด่าคู่ต่อสู้ดูถูกเขาเนี่ยงัย้นใจเนี่ยสำคัญมันให้ใจไม่ให้ใจสู้่ยใจต้องมีสติต้องนิ่งพอนะตอนที่ไทเกอร์บูดเนี่ยนะเขาดังเนี่ยนะเพราะว่าเขาอาศัยใจที่เขานิ่งนะแรงดีงนี่ไม่พอต้องใจนิ่งด้วยแต่ตอนหลังก็มีเรื่องวุ่นวายในชีวิตนะ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 หรือว่าต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้คนยิ่งต้องใช้ใ จ, ใจเข้าไปใหญ่และส่วนของใจที่สาคัญนอกจากการคิดถึงคนอื่นมีแม่ตากรุณาอย่างที่พูดไปแล้วความนิ่งความสงบการมีสติสําคัญนะแล้วการยิ้มเนี่ยช่วยได้นะโมโหโกรธอ้าวยิ้มเอาไวก่อนถือแม่ใจข้างในเนี่ยมันอยากจะสียะวลนะเวลาโกรธี่ข้างในเนี่ยมันอยากจะสียะนะ มันอยากจะคำรามนะแต่ว่ายิ้มเอาไว้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ใจเราผ่อนคลายมันทําให้ความโกรธมันสะดุดการยิ้มเนี่ยที่แร่มทําให้กายผ่อนคลายก่อนแล้วมันจะช่วยทําให้ใจผ่อนคลายแต่ถ้าหากว่าเราฝึกสติได้ดีนะอะครั้นี้ก็อาจจะไม่ต้องมีต้องใช้รอยยิ้มแล้วสติมันทํางานเองเลยแต่ถ้าสติยังไม่ไหวนะก็ยิ้มไว้ก่อนนะแล้ว สติก็จะค่อยๆตั้งมั่นอยู่ในใจเราได้เมื่อวานนี้ตอนนั่งรถนะไปบรรยายที่แถวนางลินจีก็เห็นขึ้นรถขึ้นถน น, นขึ้นทางด่วนก็เห็นบิลบอร์ดนะป้ายโฆษณาใหญ่ๆเป็นรูปเนี่ยปโปรโมเมเนี่ยโฆษณาอะไรไม่รู้แต่อตาตมาเห็นข้อความว่าชัยชนะที่แท้จริงก็คือการชนะตัวเอง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 แม้แต่เวลาเราจะไปพูดในะที่ชุมชนหลายคนประมายิ้มไว้ก่อนนะยิ้มเอาไว้แล้วนะความเกรงความวิตกความกลัวก็จะหายไปโกรธใครทะเลาะใครนะรู้ว่ามันทุกข์ความโกรธเผาหลนใจก็ยิ้มไว้ก่อนนะไปหาหมอกลัวยิ้มไว้ก่อนนะแล้วอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้น แล้วก็เตรียมตัวรับพร